มีเล็กน้อยว่าหนูอวน้อว น, วนหนูอ้วนวันพ้าที่นเล็กน้อยนีตะค้อนอ๋ออ้อเลือดหนังือใช้เกลมไม่แต่ตจำโจรพระเจ้าคู่มือคู่มือพุทธมามากะ อาสารักษาใจตอนผู้ยไนไว้เลยเด็กน้อยมากสอนปารลบอยู่บันไดก็เจ้าก็มิแต่เห็นน้ำมิแต่ดีใจนําเขาเห็นใจเขารักษาได้เขาไปเน้นนัก ขนนเขาบวชไปคุ้มอยู่นธรรวัดเขเน้นนักภาคเขาคุ้มตนเองซ <c oughs> ื่อสัตย์ต่อตอนเองถ้าซื่อสัตย์ต่อตอนเองได้แล้วซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นถึงตัวเอาคําของพระพุทธเจ้าความลับไม่มีในโลกจาจุดนี้เขาไปก็ฝึกได้สบายถึนตัวเห็นว่าส่วนเศรษมินิสี่ก็เจ้า สถานที่บอกง่ายคนแน่นัดอัดบุมีเสียงวุ่นวายแต่ยินจอเสียงสวดมนต์กับเงียบวันห้าววันนมิวัดนออีเยียมเริ่มจากแต่งงานเสร็จแล้วผูดง่ายเบาหนกเพราะฉะนั้นหลวงปู่บันตะพูนว่าเอาพุทโธแก้บวชหลวงพ่อหลวงตานี่ยเพยเป็นหัวหน้าฝักขวานเบาหนก มาล่องค้อนเถอเดี๋ยวเนี้พาดอยู่ขุยแยงเลยคนร้องออกเขาใช้กระโโักภาให้ยตื้อๆกันยังเขี้ยดหาว่าดูถูกไว้คน ท, ท้าทรมานกิเลกค้นหามืดเลยพระแม่คูบาอาจารย์ อ, อนแค่นี้ว่าได้ เดี๋ยวยังมีกกอยู่กระกระทง n g อ่าเสร็จเรืหอยเรืเพื่อประจัจแห่เป็นประโรยชน์ใช่ใบไม้แห็นเป็นประโยชน์กระสอบไล้หลายกวดใส่กระสอบเ ป, ป, ป็นทั้งบกผิวพู้นบนศาลไว้ น้ำปลามะพร้ า, า, าวแล้วไปทับให้งานมันตายสิตัวกันปุ๋ยสิตัวหมดค น, นถอดไปแทศังแต่กองไว้ไงเหมือนบดเต้นไปกวาดออกจากท่างเหตหนังในคำนึงถุงความได้กวาดเอาใส่ถุงไว้ก็ได้แลไปกวาดกองไว้ลมพัดมากต่ปิวใส่อีกตัว หนึ่งได้ความเพียรสองได้ความอดทนสามได้สติปัญญาส <c oughs> มากมักง่ายตัวมือจนเราเริ่มมดจิตวัดขอวัดเริ่มไปตั้งแต่วพเพิงเจ้าของพระเจา้าพระสงค <c oughs> ์หลวงปู่สาง่งบุญกุศลให้มาบินตบบาทลูกไก่เลยได้สบายเลยืย งอกงอกา ง, อ, กง อ, กออกไปก่อมานั่นก็มาลราไปเป็นจงกรมนังตรรมะติ่พระพนาใข้ได้บันพระฮาเลนหาเล่นโลกโลกกิยะสิเนี่ยบันจากว่าโลกกิยะเอาโลกกิจะจุดในหัวใจจงว่าเอาโลกกุตตละก่ามาใส่หัวใจจากว่าโลกกุตตละซึ่งใดที่หนีจากโลกก็ไปเห็ุไปทำจะไปหาเหตุใน น, น, น, น, นั้สะสมกองกิเลส ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสงูพุาจาักกิเลสเป็นเป็นตังไดายแบน่ะงูพุชัาากกิเลสงูพุชักบาปกบุญแล้ว่าบวชมาทําบุญที่บวชมาทําบาปพวกพ ว, ม, วมันของโดนดิอายุเข้าเดียวไปกันเด้เการบันเมืองคุนวหวกันไม่ต <c oughs> ้องขากันไม่ต้อเป็นบ้าเป็นหัวเป็น เสาซึอมไหหนังโอ้ยผู้ขาก็หาขาดจะของก็คิดตังไงแล้วเพราะขาดหนังขาดตัวเดียวคือทำบุญนั่นภาวนาก็ได้ขาดการภาวนาขาดการทำสมาธินี่ศีลสมาธิปัญญางาดโยมทานศีล ภาวนาว่างก็เห็น2องสามเท่าหนึง่งพวกมุ่ น, นั้นไปหาใสาหมดไปหานี่มาเรี่ยงของบูรของเนาน้องกอดของบูรของเนาเพราะว่าดีที่แบบน้ำสวดเ่อนั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถันว่ามากาดเดวไปหาแต่งโต บัก้อนตาไดบวจะที่ฟันหลอดตาไดนบัวคำว่าว เ, เต็มไปด้วยของไม่สะอาดที่ไม่อยากสะอาดที่ไ่อยากสะอาดยากมันสะอ า, อาดนั่นเลคว่เป็นจริงของคนเจ้าคุณว้าควา่ำใดเป็นคว่นั่นมันทีนีสะอาดวานใดเบิ่งกไปที่ท้องได้ยุแต่ว่าใจมันเป็นนังไหลแบนนั้นคำวัดคำว่าไดเหตุว่าใดทีเว่าวห็หนังบทองในมื แต่โบยจาคกามาบุญคือจังไหนในพระแต่พิโกธทองก็ได้มัดแต่ถึงทั้งสีทั้งโตทั้ทเอกประโยชน์ก็ไดนกว่าไปสิสอน <c oughs> พุทธบริษัทบอกก น, นัดโนบุกหลาน จ, จุดทูบจุดเทีนถวายสังฆท า, านถวายข้าวน้ำโภชนะอาหารตรวจน้ำยมแต่เราทำบุญ จักจ <c oughs> ิบอกอยังไงแล้วพระบ่เคยเบิง่งพระบ่เคยเห็นละเอียดเอ๊ะคำของพระเจ้าพระนรัตนังไงล่ะทำที่เราจะทากดได้ศัตรูยากที่สามัญชนนั่งเป็นสามัญชนอยนู่ติเพราะท่นเป็นพระต้องยกฐานะจิตใจเหนือจากสามัญชนคนธรรมดาตัโลกวิถีนั่นพระพุทธเจ้าพระลูกเป็นผู้ลูกแก้งโลกเด้ โล ก, กวิทูโกแกงโลกทาให้ใจของเราโลกแกงโลกโลกูกกมเป็นจริงของโลกมันวนว่ายไปยงให้หนังบันขเบืงล้มง่ายว่าแตพระพุทธเจ้าสอนนนังแขดว่ได้คอนเอาเนยัๆๆว่าจ้าที่สามนชนคนธรรมดาจะดูะได้ดูล้มืุๆทั้งั้งู้ลมลมบมีลมไปแล้วใจตัวนี้ เห็น่เพิ่งเห็นนี้บัดเพิมเป็นยูของใจยูกรริบทนเนดชันไปเรีนของบูดของเน่าคื อ, อยูดีใส่ดีหามาัดวดมือเท่าคำตหามาัดบรุงเท่าของบูดของ เ, เน่านี่ตัวคือเห็นได้คือแทงได้ฤิเพนรนใดผูเจ้านาสินนะถ้า ม, มาสอนคน้นสอนคนเป็นจกว่าเจ้าของเป็นคนหมดนว่าเป็นค้นเหมืนบรเเวณนั้นบริวรสเจ้าเป็น ท, ท, ทั้งทสี่เดือนหนึ่งมสีเทียบบ่อ เบิ้งสุมือว่าไว้รักษาสุมือเด้อบักเอาไปจะได้ยังนั่นทำคนมุ ง, งพูดทุกที่สุดคือหาที่เกิดรีบเล่นขนสวยกว่อสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานศีลภาวนาทองมัดมือเถ้าคัมภีร์พเหตุก็คือเก่าโภยง่ายคือหิวเข่าสิแมหิวเข่าหิวเข่ากินเข่าไมยอม ยิ่งไดก็เยี่ยมใจบันทอาหารใจด้หมดยักได้บุญได้ได้บุญ บ, บอกไม่ได้บ่เ ท, ท็เอาเห็นหนังบันทึนกเย่้เียบเาอาหารใจทั้งๆ้ ท, ที่นั่นลกกระพเขาร่มบอกเก็จลงไปแม่ใส่เสื้อเยอะใส่ตนนั้นพะจะเ้าหารเท็จลบากลาบนขึ้นหนังเท็จดีแทะของเลี้ยงของบูดของเนา่าเลี้ยงไว้ประโยชน์หนัง เห็นว่เห็นคุณงามความดีจงทําดีจงทําดีสว่าติ์ดีไปหาส่งเสริมกิเลสทำดีบะธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสแต่ว่าพวกจักกิเลสเทวะก็จะขาดเพาเป็นก็จะขาดเพได้ขาดเพราะบาปนี่คือพระขากิเลสที่อดใจได้เป็นพระหิวไปไหนก็วให้สันลงมาจมมาดาวากันตะกอน กามากคือก pues ันสมัยเราเห็นอันนี้ทังมาอย่งเอาของมาส่งฝาฝะยุงแต่พระเสียทุลงของวัดไปอะไรคานึงถึงความได้ไม่ได้คานึงถึงความเสียนะเอาทุดลงของพเจ้านะไปบิณบาตเอาแค่นั้นห้าม่ไ้เอาของมาส่งที่หลังอีกคุณตัวคป้องกัน่ไ้พระบุลาภุมเฟือยจิเลศนาปัญญาหยาบนั่นได้คานึงถึงจุดนี้ว่ เปน็นยังไงพระไปบิณฑบาต ท, ทางนอกวดัดก็เพื่อตัดว่าไ้คนของแม่ยุงวดัดของไหนจะน้าบอกคนนอกจะน้าเข า, านะแม่ยังไะมหาบุญไหว้ผมามาทําบุญขี่ตั๋วเจ้าของขี่ตั๋วมูฟวกไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญเ ว, ว่าที่ข้อมเราพวกของไปหาห ย, ยัดเหยีดยดในพระก็ว่าทําบุญทําบาป ในพระน้ำบากในพระเกิดเจริญเป็นบาปตัวน้ำจาก พ, ออาะพระยื่นเพราะหย่ะนไรเพราะเห็นน้ำพระพุทธเจ้าเพราะสอนพอคําของพระเจ้ามาสอนพระเจ้าสอนในธรรมบุญในของเบาให้เบิงลร่มหายใจก็ออกให้มีสมาธิให้มีปัญญามีควบรอบรูปควมรอบรูรบปรในกองสังขารเรียกว่าปัญญานะกระขาดตัวเดียวเด้๋ยนี้ อ๋คิดมึงรูไปวัดซิบวัดงรูว่าไดสิม่ย่ำให้เค็ดบุญอ่ะจะเอาของมัถไไหเอานั่นมันตสไไวเออดีมไหวยัเป็นไปเพื่อสะสมกองกลเล่นั่นมจฉาพวกองเกิเล่กิเล่ก็หเอาตัวปรหลอดโอ้ยบเสียชีวิตแล้วบอเคยเื่งปัจจุบนันบัเสียชีวิตเห็นบอันเห็นทางไปสวรรค์บอ ผู้ใหญ่สอนค้นเราก็สอนคนเป็นสอนคนปัจจุบันให้เห็นปัจจุบันให้เบิกปัจจุบันคึกจินเขาให้เบิมือนี่กินมือนี่หิวมือนี่กินมือนี่ยังสิไหมปฏิหิวบุญด้วยก่นโจมตีหิวหิวอยากมีบุญอยากได้บุญอยากได้บุญอยากทำบุญนะไม่ต่อยากจะเบิกเอาบุญขอไงๆหนุ่มไปบุญยุดธลมหายใจเขาอมก็ดังนี่ใน้ซื้อกบ่ยวเขันดอก ทุกที่สุดคือหาที่เกิดคําของหลวงปู่บอกว่เห็นจุดนี้เพราเขาถึงใจแล้วเพเห็นใจว่าเกิดมาจากพวกทักษะตื่นเบื้องต่สังขารร่างกายเบื้องต่ของบูตรของเนาแต่งแต่ของบูตรของเนามรือติดทองอย่างตื่นเพเห็นเอาความจริงของขุเจ้ามาเต็มไปด้วยของมตไลรไปทุ่มมือทุ่มมือตัวยังข้อมีกายโยกายของเรานี่ยแหละ เพื่องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาเพื่องตามแต่ไปผมลงไปบัดสรุปสุดท้ายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละก็คอยไม่ถึงใจที่อัน ถ, ถึงต้องนอกรวาทัพฝากปั๊บๆมันสอนนกแก้วมันก็ททองได้ก็ <c oughs> เยกยจ้ำแล้วจ้ำอีกตัววันแรกข้าเจากอทวายที บอกว่าเปนหาผู้มาอยู่กานหาทีผู้ยากหรอกก็เสนอมันสำคัญผู้ที่อยู่นั่นมันหายากคือหาผู้ที่ปฏิบัติตามรักสุไป็นปันโนจักรไส้ทีดินเพื่อสร้างวัดบำเพ็ญบุญบ้านสร้างวัดทำบุญถึงตระว ไว้ว่าสร้างวัดเพื่อที่ขนกระต้มกระนมไปถวายพระดิขุจักว่าสร้างวัดทำบุญสร้างวัดเพืมานั่งดูลมหายใจเขาออกบุญจุกกระลม่มนั่นเห็นวะขนกระต้มกระนมเดี๋ยวสร้างวัดทำบาปกวาจสัตว์ที่บาปตัวขนซึ่งขนของไปโดยนิพพานนั้นบาปจะต้องมาได้สา แล้วในไปตักเอากับ่เอาต้องมีฝาบาทด้วยความถือ ท, ทาได้กิเลสหูจักกิเลสพวกนี่หูจับว่ากิเลสวันรูบเสียงกินรสลายนั้นขนาดเหตจใดไม่ได้จะเห็นว่เห็นสวรรค์ในพพานหรือว่าสวรรค์นผ <c oughs> ้านบริจุลมบาดเป็นบาดดีไปเพรได้ก็ต้องให้ไม่ได้ดิทันว่าได้ก็จับ ท, งทังน้องเต้ ใส at ่นบาสันมาได้ที่ใส่ถดองถุดงกวาดพระดงที่ใสที่จุน้าปลาเสื้อตินั่นคือรักษาเนวทางของภูเจ้าคนสอนจากไรสังเฮตไปจังสันเฮตไปจังสันเฮตไปจังสันเดีายว ออเพราะอัตรายเ้าเห็นว่าแต่เป็นเพิ่เคยดูดบักภา พ, ภาพาเป็นน้วยบะนู้มเพิ่เคยดูดวาแต่สังเกตเป็นบ้ามันก็มีนิบตัดออกเทศเโจกคือเกาแน่ประตมือกีขั้นเสียดไ ม, ม้ฟ้อมย้อมหละกยงแจงพราวขวาดน้ำมากหลอดที่ใส อู <c oughs> ้จักว่าวาพิษศินขึ้นอย่างไรบนนันตั้งกองน้าบอกว่าเป็นมักนายเป็นไหนสมือข้ามว่าตนนั่นแรลไเ้พึ่งของตอนน้ำก อ, อกลำแกกบุขนซาอุนอินท น, น, นายนายมันเป็นมาต่าแกนุ่มหมดแล้วเรียกบัว ง, งาการบรัเห็ดเขาบ็ได้ตำนม้มบริได้ตักเรื่องขอวัดขอว่าวันศิวันพระผมโยงผมโยง น้ําตายแล้วสิโอ้ยแล้วท่านผมก็เพื่เจ้าสอนให้ดูจังมีชีวิตอยู่ให้ทํายังมีชีวิตอยู่ให้ทําบุญเป็นทานบอกให้ทําบุญเป็นทานคําว่าให้ทํำซื่อว่อเาเขาใจเด้่ยหยาบป็นไหนสมืน่นก็หยาบยังไหมืดเนียอัดหูวที่เรากับเบิ้งเล่นไปหัวไปหลอกไปเว่าวไปคุยไปเป็นบ้าตะวันตายสิ จะเห็นนางานเป็นเปนพระบริสุทธิ์ท่นพระไปด้วยแล้วนึกว่ากันดูว่านายเจเมติโลกอันนี้นยังยินดียังกันเกิดดีติหรือว่ามาผลในพานพระพุทธเจ้าไปแล้วตีวมันของเล็กหน่อยนี่เสียสละเขามาต้องให้สมบูรณแบบที่เขาเสียสละจากโลกกิยะเขาม้าปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวชต้องเน้นหนักเอาไว้ปฏิปทาของพระเจ้า พระท่านก็นมาเกิดอีกทุกข์อีกลำบากอีกคือเก่านะ่ะบาปรอดบาปผ่าเพราตายขาดเพราปก็าขาดกิเลสผู้จกกักผู้จักตกวกิเลสไปสำรวจแต่ละคอแต่ละคอระวังรูปเสียงกลิ่นรสปีออกเห็นขั้วห น, วนี้วันรถหญิงรถท้ายรถข่าน้ำเพราะชนะอาหาร จ, าจัดว่าลถคือกันนด้ เดกว่าได้จุดนี้โอ้เดวตันละ <c oughs> บุริสืมกง่ายที่สุดเอาท้ำของพระเจ้ามาเบิ้งไปนางพระเจ้าคันวางง่ายก็ง่ายวบายินักพระเจ้าหาหกปีคนนี้บาดจิดได้ตัทรูเพื่อสัจจะพราะท่านั้นจะไปทิ้งสัจจะตั้งไว้รอดในาทางของพระเจ้า อันตัวนี้จุดนี้เลยแล้วตันละมันแน่ก็นั่งไปแน่ที่ข้านกับพ่เฮ็ดนั่นทีค้านบอกิค่ขานถึงเวลาตามกําหนดเราต้องทําที่ย่าได้วันใดวันใดเวลาใดจะคืนทําบุญหรือดูสวรรค์วันละหนึ่งหน้าที่นั่นคนรับกนนหนึ่งหน้าที่พรต้องไปตรวจหลายเราขอให้นั่ง หลายไปสวดกับหลงพระพุทธเจ้าสวดมดมือเท่าคำก็คือเก้าอัน่ะเพ็รบดใดทำบดใดมันเป็นสัญญาสวดไปตามคำของกุญแจวันเขียนไว้เขียนไว้ทองเราจได้จะได้เม็ดน่ะแต่ว่าใจมันเพ็รทำใดบ่ปล่อยว่างใดบ่รักโลกสองตัวบกไงถึงเป็นนรกโลกสัตว์โลกคุกเขี้ยวยกับสองตัวสองหมอกบกไง รักมาจากใสความสวยงั้งโลกมาจากใสความลำลวยนี่เราหมอน่โลรกหมอนายใจของทุกคนเน็่ยว่าหลงปูนจำมนโนลา่ามนโนือึใจผูได้นั่นั่งมลลตรดา้าตามหาเท้าสีทนใช้ความหมดทนนี่เขาก็ใช้ความหมดทนตัว ด, สส ด, ด, ดู่กบจะเล็ดใส่ข้อมือทนม่เพียงเพชรว่ได้เพชรเป็นนิสัยเป็นนิสัยเราเมืนเขาได้เป็นสบายไป็มดอันนีเพชว่าได้เจาะว่าได้โอ้เอส้ น, ส <c oughs> นนี้บาดว่าแสบเส้นนี้บาดเหมือนเราเอาฝาบาดมาไหมนั่นมันเป็นสองพลาดชนะไปเราได้บบถึงบอฟิจาหน้าบ้านี้ไ ป, ปสร้างกาโยนิโต บินดาป้าตามอาหารบินตะบาดเขี่ยวเขี้กินเกินใส่ภาชนะเดียวหนึ่งวังม่สองนั่นโอ้ยป้าปลาลังกู <c oughs> อันตารายนั่นมี่ยังเทศเส้นเมื่อขูกไปกันเมื่องคือเขาคน้นปนเปยกันเีไหม <c oughs> ป้าไทยยังเอาหวานใส่หันคางนั่นคางนี้ยังเป็นคางเป็นมองยี่ปุ่นเลย เป็นห่วงกิเหล็หลายย่านกิเหลดเหมือนอกจากหัวใจว่าได้กำหนดว่าเขี้ยวเขี้ยวเาไปมันกินกับน้ำลายบอคิดไปกี่เด็ดอ่าหาร้อ <c oughs> ตื้อหลังเสียก็ไอ้พวออกมากกเขี้ยวเขี้ยวเขากินลงนํากันตัวเขาไปทั้งทง้องผสมผสมเสบัจะออกกับเท้านาจวกองไปขังว้เอกนี่ว่าจะทำได้หรือทำไดก ทิฏิมานะปัจจุบันเล็กน้อยเด้นสาสมเทละน้อยเอาไปว่าหลายอันก็ไปหลายอันก็ไปก็ไปหยิฏฐเะเล็กทะน้อยก็าไปกัสไปเป็นหนาน่เอาไปมากกเป็นโทษผเจ้าท่านแล้วแล้วผลในผ้านันอยู่นําบาดเรน่นังวัดกว่าจะไปนะปิตบาดมันเมยมันละว่าังผูเจ้าเขาผลมากกับเบื้อไปแล้วไปเห็นบ่ ไปเมืองเือไปเมืองนอกกนหน้ากับเมืองมนี่แหะข้ามพระเจ้าพระสงฆพระแม่กูบบาจันท์ถูกปูเห็นจําไปเมืองนอกคนหน้าจะไปเสียเด้อจักว่าไปเสียหนึ่งไปศึกมหัมาหาไปศึกเมืองนอกก็เม็นน่อยหนอยขอบาทไปเหตุทางไกลเด้อนั่นก็เสียหนึ่งเด้เสียสองก็ได้เป็นธรรมบัตรเสียสาม ว่าสันในบาทเจะนนั่งห้อยเท่าเข่าโตสั น, นก็เสียไม่แต่เนี่ยเสียหมดกันว่าไปเสียนั่นไปเสียกันไปได้ก็ไปรักษาคงไว้ทีเนี่ยทางเนี่ยไรพระพุทธเจ้าเฮ็ดทำมาไปได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกไม่ไปเอาอาหารด้เขาไปไปตามนาทีด้ออกรับบินตบาทมีก้นในก็เอาบอมีคนน้นในบอกเป็นยัง ใครมัอดตายเราลด้วยการปฏิบัติธรรมแต่ว่ามีคนใหมู่่ได้ไรอย่างอังกฤษกับพระพุทธินิพพุเมื่อกว่ามีเพิ่มขึ้นเยอะทำย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าบุญนั่น <c oughs> บุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก บารุ่มพวกเขาเห็นใน่างไคนเด็ดพักได้ผู้ใดถามเราจะไปวังเกิดหลวงพอ่อมีโรงแรมบ่โอ้ยตามหาตรงแร่มมึงไปหาปฏิบททัติธรรมบ่ตามหาตัโรงแรมทำความสะอาดหรือจะเห็ดแกงหงไม้ใส้แอรอ์ <c oughs> บ่เกระสะดวกสิก็เห็ดที่ไม่ด้ือเห็ดระบบใหม่บ่จากสองสันคือวัดนั่นบ่คนเด็ดัก กินไปคือตัดระบบออกสิล้มขั้วออกให้เป็นสถานที่พักหนะเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ถึงมาขัออ้วยอ้หนังไปกินตกรันหลักขามร้นยุดธทั้งมูเอเนี่ยก็มาบ้ายเข่ากับแล้วจนก็ขอเดียวอี๊ยมบุ่นก็ทั้มือเนี่ยคัมหน่วยสองหน้อยยิ่งโรคปัญใดก็จะเห็นอย่างว่าเป็น เห็นตะมาคนในพาดอยู่น้ำปากนําท้องตัดออกไปมีคนมัจะขอเห็ดลงทานุน้ำาาบเห็ดมาจะหันนั่งปเศ้าแล้วเลยมันเริ่มบวดตรงที่ที่หนึ่งมีนาคมีคนถามหาตะลงแลมเอ้ยลงแลมมันเลยเห็ดตะเขาเห็ดว่เห็ดเห้อว่าได้เปตนปวดหาดลงแลมมัน คือ <c ười> <c ười> ั้วานแล้วคนเกิดเป็นยังใบจังมักแต่ย้ำทำทำความสะอาดไปแน่กันท่านเพชไอ้ห้องเงียเงียบมันเกิดไปแน่แต่ย้มถอดออกไ้เราเก็บไปนั่นนะกรเบื้องนะ จะเป็นเงียนของเก่ำน้ำเอาตอนนีไม่ไหลยว้าวถือใจเป็นไหนดินองกูเป็นพยายามสะสมของเกล่เก็บของเกล่ำไว้ดังไฮเปรตเทดแบบช่งไทยมันจึงบหัวกับเบี้ยมันทนได้หรอกเทดหลังข่าม่แบบช่วงไทย มือก็บ so. right ังกองั right ันาหนามืก็จะเคยเห็ดเยบได้นี่เป็นเอาตะข้มสบายสันไทยสันไทยทันวะกองเกาเต็มไปหมดไมดูว่าจะม้ไฟคนมันวาลายบนวางม้ไฟไม่เหมือนอ๋อมันบงยาก่าเราเรื่องไฟขอให้ไม่สะดวกแล้วอาบน้ำกอนอาบน้ำก้นหะังก้อนนังแจกให้ได้ดูไฟเห็ดหนังไฟ บูา เ, เป็นบ่ิษัตัดดลู่ด้วยการใต่ไฟนั่งสมาธิก็จักเว้นกังเว้นเหตแม่เหตหยังอ่ะขังขึ้นแต่ทั้งสมาธิของตัวติดหาหาไฟไปหยังมักงาดไปหาไปเล่นนั่นเล่ น, นี่เอาไปมากกับต้มน้ำพอนกินู่หันนี่นก็ตัดออกพกขาดดินน่ง้านั่นข่านี่โย่ไฟไม่เห็นนั่นเล็นนี่ยิ่ ก็ว่าจาเป็นน้ำเติมนี่กันเสีย ด, ด, ดีที่ทุกคนไปหาตักดิ์นักศึกษาตรงน้งามดีหาไปหามั่นกปแล้วเป็นตัวของน้ำไปลงฝั่ของ น, างองนา้าบ้านกัแล้วตัวศึกษาเอาตัวมักสะอาดมักทกข์กับวกไทยแล้วก็ไม่ต้องล้างพรามีคนล้างให้จ้างคนล้างให้ <c oughs> แต่เร่องไปแต่เรื่องกงลมสะดวกของลกลุ่ม ทางของพระพุทธเจ้าของพระแม่กุูบาทันหามน้ำเพือเกลิ่นเป็นอย่างไรจิตตบาทสังกออร่อยพระเขาในวัดแล้วก็เปิดประตูนิ้มมาเขาวัดพ่อมาทําบุญมาหาบุบุญไหว้จัดแต่นั้นนะเนี่ยพระไปติดรูปติดเสียงบางแห้งว่าแต่งพอจะเริ่มวัดว่าสร้างลงทานสร้างลงทานแต่หาเดี๋ยไร่สร้างลงขวัวสร้างลงขวัวห่วย บม่านถึงก็ไปสั่งลุงัวานาวัดน้ำาบอคือเขามัน้วาได้ถุงเงิไปให้ยนี้งเทปนี่ต้องไปห้เดนลุปูก็ไปมาเศ้าเลยแข cal <c oughs> ่งแรงแร่เแร้งขนาดให้ค้นแงแรงหมดเป็น uh ตัวแข่นตัวแข่งเลยต้องไปอสมุยวัดมันก <cro> ัน้ำาบ้อพระพุเสดจังสีก็มีู่ติวัดสน แสดงความดีใจความเดือใสยก็มี <c oughs> วัดยังไก็เจ้าเทาเห็ุจัดความสะดวกสบายพนสังเกตการ์ได้ไกกวัดไปฝากขึ้นกอสมุย <c oughs> มีกุญแจออยุพยัมทำความสะอาดไปแน่แต่แล้วีเสียงไม่หยังเยพุทิทางพูนนี่พูไ <c oughs> ม่ขาวไม่หยังม่เบิ้งไยกันแล้วตง วันที่หนึ่งเม่หน้าขาวิทันได้กำมาพผ้าออกตนยันโนมปฏิบัติธรรมเป่นมาหลายมัวฝึกทั้งผู้เก่าฝึกทั้งผู้ใหม่ไปน้ำเด็เ็ด้เกา่าเ ก, กิดเหลืงไปหลายเดี๋ย <c oughs> นี้ไปกไกลตะเด้นออหนีพระไกลเอาตะนาหลวงปู่ขาขาหลวงปู่ศรีผมบวดวัดหลวงปู่ศรีประเทศไปถันประเทศเพื่อแดนจกไง มาฝผึผกฝนลดร่มฝึมผลผลรกฝลดร่มไปนั่งนี่ก็เป็นห่วงเด็กหนุอยอยู่หนึ่งยันคอยไดปยุ่งสมการสอนเขาคิดขอเปลี่ยนจะเป็นเน้นหนั ก, กนตกั้งแต่คันถอดกับพิธีกรรมแนวนั้นนนี่มาจากแนวทางรเราไม่นเน้นหนักภาคปฏิบัติเขามีสมาธิมีปัญญาแต่นี่ชุดนี่แล้วก็มีสมาธิมีปัญญาควบประกอบในกองสังขารเรียก ว, ว่าปัญญานั่น มันขาดจุดนี้และไม่มีปัญญาโ ง, ง่เงาเต้าตูตนไปสักหน่อยเห็นไหต้องคลอกงกันกับพรามว่าคั้วบอมีศิลธรรมอันมีศิลไม่ทำพุทธิสิบไปกลกงกันกันสงสารเขาผู้เสือกับเสือกับเพราะว่ามีปัญญาเขาตัวยังเสียเนี่ยกัมีปัญญาเพราะทเสียคนง่ายๆดิเขาคำของโบรมลั่นอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัวนั่นได้ ไ, ดไดจะได้เงินบ่ มีเงั้นหลายไปไดนเอามาที่ไห้เพี้ยเลี้ยงหลายๆปุ่นเขามาจิกตัวไปฆ่าเขาไปถอนอมเมสวันหนึ่งจะไปถามหามีใจพอมีซื้อซ้าน้าฟองน้าร่องกันน้าหากันไปอาศัยแต่วงจอดจิตปิดตัวส ม, มือน <c oughs> แล้วข้อขาดนี่เนะขาดการพระบรรณาฯอย่างเดียวเพราะจึงเสียไปซุ่มที่ทุมหายจึงถูกหลอกพระเจ้าปา ร, ร, ะาระสงกับหลอกงงเก่ง อ๋ผมไม่ยังกับสวยอั้งรตังไกลละพาน <c oughs>